อย่าถ่ายอย่าถ่ายรูปนะหลวงพ่อเป็นคนเหนี่มกล้องเห็นกล้องแล้วธรรมะหนีไปหมดเลยเมื่อวานกำลังเทศเทศนะธรรมะกำลังลายลายเลยหายไปเลยรวนธรรมะนะฟังเปิดใจเปิดใจกว้างๆทำใจสบายสบาย ถ้าฟังด้วยใจที่ปิดกั้นตัวเองก็เรียนอะไรใหม่ๆยากฟังด้วยใจที่เปิดกว้างฟังไปก่อนแล้วค่อยเอาไปพิจารณาดูไปลองทำดูอย่างไม่ต้องเชื่อเชื่อง่ายไม่ฉลาดแ้วฟังอะไรแล้วก็ไม่เชื่อเลยก็ไม่ฉลาดใครก็พูดอะไรให้ฟังพูดธรรมะหลวงพ่อพูดธรรมะให้ฟังฟังไว้ก่อนแล้วไปลองทำดู ทำแล้วเห็นผลยังไงนะเรารู้ด้วยตัวเราเองอย่างนี้ค่อยเรียกว่าฉลาดเลยถ้าพูดอะไรเราก็เชื่อตลอดเลยก็ไม่ฉลาดหรอกใายเป็นคนงมงายขนะาดปัญญาพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อเลยก็ไม่ฉลาดนะฟุ้งซ่านงั้นฟังไว้แล้วก็เอาไปลองปฏิบัติลองดูซิว่าเราจ ะ, จะเจริญสตนะิเราจะหัดรู้สภาวะไปเรื่อย จนสติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาเมื่อสติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วลองดูสินจิตมันจะเป็นยังไงมันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงจิตที่เป็นอกุศลเป็นยังไงลองดูของเราเองะเบื้องต้นก็หัดรู้สภาวะไปลองดูร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกไป ร่างกายมีความสุขมีความทุกข์ก็คอยรู้สึกจิตใจมีความสุขมีความทุกข์จิตใจเฉยเฉยก็คอยรู้สึกแล้วมีเฉยเฉยเกินขึ้นมาอีกอันะจิตใจจะมีราคะหรือไม่มีมีโทสะหรือไม่มีมีโมหะหรือไม่มีฟุ้งซ่านหรือหดหู่คอยดูเรื่อยๆไปนะหัดรู้จักสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจเรื่อยๆไป ลองไปทำดูนะนี่ลองไปทำดูแล้วดูซิหัดรู้สภาวะอย่างนี้ยสติจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าหัดรู้สภาวะแล้วสติไม่เกิดเนียหลวงพ่อประโมทโกหกหลอกลวงนะถ้าหัดรู้สภาวะสักเดือนหนึ่งนะอย่าไปคิดเอานะให้รู้สภาวะไม่ใช่ให้คิดเรื่องสภาวะแล้วก็ไม่ได้ให้เพ่งสภาวะไม่ใช่ไปเพ่งร่างกายเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้อง ให้แค่รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจค่อยรู้สึกตัวบ่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดได้เองเนะนี่คำท้าที่สุดข้อที่หนึ่งลองไปหัดรู้สภาวะดูซิสติจะเกิดหรือไม่เกิดนะพอสติเกิดแล้วนะหัดรู้ต่อไปอีกดูไปดูด้วยใจที่เป็นกลางใจที่เป็นกลางเนี่ยก่อนจะรู้ไม่ใช่อยากรู้ให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอา ระหว่างรู้ไม่ถลําลงไปรู้นะรู้อยู่ห่างๆเหมือนเรายือนอยู่บนตลิง่งบนริมแม่น้ําเราเห็นอะไรต่ออะไรไหลผ่านไปในแม่น้ําเราดูอยู่ห่างๆเราอย่าโดดลงไปในน้ํารู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงนะเช่นพอเราเห็นสาวสวยขึ้นมานะเราไม่ต้องพยายามจะไม่เห็นพราตามันมองเห็นตามันมองเห็นเราก็รู้นะ เรู้แล้วจิตเกิดราคะขึ้นมาเห็นสาวสวยเห็นหนุ่มหล่อจิตเกิดราคะขึ้นมาให้ก็คอยรูนะ้นี่หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ว่าพอจิตมีราคะขึ้นมาก็หาทางแก้ไขจิตมีโทสะก็หาทางแก้ไขอันนั้นไม่เรียกว่ารู้ด้วยความเป็นกลางแต่เป็นการรู้แล้วยังเข้าไปแทรกแซงลองรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนะ นี่พอเรามีสติเกิดแล้วเราก็รู้นู่นร้ น, นี้ไปวิธีรู้รอให้สภาวะเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้อย่าอยากรู้อย่าเที่ยวสแสวงหาว่าจะดูอะไรดีให้สติมันะระลึกเองะระหว่างรู้อย่ากระโดดลงไปอย่าถลำลงไปจ้องถ้าถลำลงไปมันจะจ้องกลายเป็นการเพ่งพอรู้แล้วนะไม่เข้าไปแทรกแซง อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้รู้ไปเรื่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่ใช่ว่าพอความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆกุศลเกิดขึ้นก็อยากให้อยู่นานหรือพอใจอยากให้เยอะกว่านี้อีกอกุศลเกิดขึ้นอยากให้หายไปความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ดับไปเร็วๆอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่เป็นกลางถ้าเราไม่เป็นกลางเมื่อไหร่เราจะเข้าไปแทรกแซง เราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วแต่จะไปรู้ไปแล้วก็เข้าไปแทรกแสงเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาพอรู้ว่ามันทุกข์แล้วก็หาทางทำยังไงจะให้หายภาวนาอยู่ภาวนายังไม่เป็นไปบังคับตัวเองจิตมันแน่นขึ้นมาหาทางทำยังไงจิตจะหายแน่นหรือจิตมันจะหลงจิตมันจะต้องคิดจิตมีหน้าที่คิดพอจิตคิดไปเราก็มาคิดต่อทายังไงจิตจะไม่คิดหาทางแทรกแสงตลอด ถ้าเราแทรกแซงอยู่เราจะไม่มีคำว่าสักว่ารู้หรอกให้เรารู้อย่างที่เขาเป็นก่อนจะรู้ไม่ต้องอยากรู้ระหว่างรู้ก็ไม่ต้องอยากรู้ให้ชัดจนถล่มลงไปจ้องรู้แล้วก็ไม่ต้องไปอยากแก้ไขหรืออยากควบคุมรู้แล้วจบลงที่รู้รู้ยังสักว่ารู้เนี่ยใครทําได้อย่างนี้นะท้าพิสูจน์มีสติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในไกาในใจด้วยจิตที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซง ไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้นี่เป็นคำท้าพิสูจน์อีกคำหนึ่งนะลองดูสิทำไปแล้วเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไหมถ้าภาวนาถูกต้องเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยเคยมีกิเลสมากนะกิเลสจะมากกว่าเก่าอีกเนี่ยภาวนาเก่งนะกิเลสจะเกิดบ่อยทียิบไปหมดเลยแต่เคยกิเลสแรงเนี่ยกิเลสจะเบา เพราว่าสติเราเร็วกิเลสก็ เ, เหมือนไฟไหม้ก่อนจะไฟไหม้บ้านนะมันอาจจะมาจากไม่ขีดก้านเดียวก่อนเยมีไม่ขีดก้านเดียวนะเอามือโบอกทีเดียวก็ดับแล้วลกิเลสมันเกิดแล้วสติเราเร็วนะเหมือนเหมือนปับขาดไปและถ้าเรารู้ไม่ทันนะเหมือนไฟไหม้บ้านทั้งหลังเอามือไปโบกสิหรือเอาพัดไปช่วยเปันพัดให้มันดับนะช่วยกันทุกคนแลพอไฟไหม้บ้านแล้วถือพัดคนละอนนกนุ๊นะ มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมก่อนที่กิเลสจะตัวใหญ่นะกิเลสก็ตัวเล็กมาก่อนงั้นถ้าสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะกิเลสตัวใหญ่ไม่มีโอกาสเกิดพราะตัวเล็กเกิดแป๊บพบอขาดไปขาดไปดับไปดับไปงั้กิเลสจะไม่รุนแรงหรอกไหวแวบขึ้นมาก็ดับความทุกข์ในใจก็เปลี่ยนไปเคยทุกข์หนักๆนะก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์แป๊บเดียว เนี่เราจะวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองได้ชีวิต จ, จิตใจของเรานะั้นแต่ก่อนนี่เคยมืดมืดมัวมัวแต่มืดมัวมาตลอดเนี่ยดูไม่รู้หรอกว่ามัวเหมือนเราเป็นตาต้อสมว่าเราเป็นต้อนะมองอะไรไม่ชัดมาตั้งหลายปีนะก็รู้สึกว่าชัดดีละวันไหนไปลอกต้อ อ, อกนะถึงจะรู้ว่าโอ้มันชัดกว่ากันเยอะเลยทุกวันนี้คนในโลกมันหลงตลอดนั่นรู้สภาวะไม่ได้มันมืดมืดมัวมัวจิตใจก็มืดบอดมัว แต่วันใดที่ตื่นขึ้นมาก็จะรู้เลยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมันมืดพอเราตื่นขึ้นมาเรามีสติเรารู้เนื้อ ร, รู้ตัวขึ้นมานะจิตใจเราสว่างไสวขึ้นมารู้มันตื่นมันเบิกบานจิตใจเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความสว่างขึ้นมาจิตใจมีความสุขอยู่ในตัวเองนะเราก็ค่อยรู้กายก็ยรู้ใจของเราเรื่อยไปเนี่ยถ้าฝึกนะอย่างถูกต้องนะประมาณเดือนเดียว เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ใช่ฝึกมา1ิปี2ี่ปีก็ยังเหมือนเดิมถ้า10ปี20ปีเหมือนเดิมนะฝึกผิดแน่นอนหรืออย่างมากที่สุดไปฝึกสมถะแต่ถ้าฝึกวิปัสสนาจริงๆนะหัดรู้สภาวะจนสติเกิดเองถัดจากนั้นรู้สภาวะทั้งหลายไปด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็คือจิตที่ไม่ทาผิดในสามการนั่นเอง ก่อนรู้ไม่ได้อยากรู้เที่ยวแสวงหาระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้แต่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่รู้แล้วไม่แทกแซงนนเรียกว่าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลาง mm hmm. ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเห็นทั้งกายนี้ใจนี้ไม่มีตัวเราร่างกายก็เป็นเพียงรูปที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจเป็นแค่นมามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแป ล, ปลงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ side, medo, <t end> เปลี่ยนแปลงแบบฟลุ๊กฟุกเรืยแต่เปลี่ยนแบบมีเหตุทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นความโกรธจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆความโกรธเกาเกิดขึ้นเองความโกรธต้องมีเหตุนะความโกรธ ถ, ถึงจะเกิดความโลภ ก, ก็ต้องมีเหตุความโลภถึงจะเกิดความหลงก็ต้องมีเหตุของมันมันถึงเกิดเนี่ยสิ่งทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจเนะี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดอยู่แล้วทนอยู่ไม่ได้นานนะเดี๋ยวก็ดับไปทุกอย่างที่เกิดนั้นมันเกิดเพราะเหตุไม่ใช่เกิดเพราะเราสั่งเนะี่ยดูไปเรื่อยๆเราเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตลอดเวลาฝึกมากเข้ามากเข้านะใจก็ละความเห็นผิดไปฝึกไปตั้งนานสิ่งที่เกิดขึ้นคือการละความเห็นผิด เบื้องต้นจะละความเห็นผิดก่อนว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเร า, ะาละตรงนี้ได้เมื่อเป็นพระโสดาบันจะเห็นแล้วว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกในคนทั้งหลายจิตใจประกอบด้วยความหลงมีโมหะยืนพื้นไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือมีสติก็เป็นสติแบบโลกโลกสติที่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจคนทั่วไปไม่ค่อยมีมีแต่สติเพ่งกายเพ่งใจอะไร เป็นสติก็เป็นจิต ท, ที่ดีนะแต่ไม่เกิดปัญญาถ้าเพียงเอาไว้ได้แค่ความดีนี่ถ้าเรารู้อย่างศัก์ว่ารู้จริงๆนะปัญญามันจะค่อยสะสมไปเรื่อยเรในีสุดก็ละความเห็นผิดคนทั้งหลายสะสมความเห็นผิดว่ามีตัวเราตั้งแต่เกิดมานะก็มีตัวเราตลอดเลยเริ่มต้นต้องมีการตั้งชื่อใช่ไหม ตั้งชื่อเนี่ยนี่คนนี้นะชื่อจีรัตน์นะจีรัตน์แปลว่าอายุยืนจะยืนไม่ยืนยังไม่รู้เลยเอาวยืนไว้ก่อนคนนี้ชื่อหญิงนะคนนี้ชื่อหมวยคนนี้ชื่อพุ่นโชคอะไรเงี้ยพยายามไอดีนติฟตัวบุคคลกันช่วยกันยำ้ำคนอื่นก็ย้ำกับเรานะนี่เป็นตัวเราตัวเราเราเองทําอะไรทุกอย่างก็เพื่อย้ำกับตัวเองว่ามีตัวเราตลอดเวลา จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะจะคิดจะทำจะพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คอย้ำ้ำความมีตัวเราอยู่ตลอดเวลานี่มหาเจริญสติเนะยจะเห็นว่าตัวเราไม่มีรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานะสังขารไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราค่อยๆฝึกวันหนึ่งพอฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเจ็ดวันเป็นพระอราหันต์เลยก็มี ตัวอย่างเจ็ดวันบรรลุพระอราหันต์ใครรู้ไหมตั้งหลายองค์เนี่ยะพระโมคคัลลาเจ็ดวันอย่านึกนะว่าจะบอกคนรุ่นนี้ <c oughs> <c oughs> คนรุ่นนี้ใครอย่าไปรู้อะใช่ไหมใครอยบรรลุใครอ ย, รรอยเป็นยังไงใครอย่าไปรู้ลนะเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสแต็มให้เนี่ยนมีหลายองค์นะอย่างพระมหากรสปะใช้เวลาเจ็ดวันเป็นพระอราหารันตะ์พวกเรานะ่ เจ็ดปีให้ได้โสดาก็บุญแล้วละ่ะยนรีมันแก่อ่อนประกันท่านเหล่านั้ น, นท่านสะสมบารมีมาตั้งแ ส, มนะสนมหากหรแสนมหากรคือจักรวาลเกิดแล้วดับลงไปนะตั้งแสนครั้งสะสมบารมีนานขนาด น, นั้นพวกเราสะสมบารมีไม่เท่าท่า น, นะ น, 7, น 7, เพราะฉนั้นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่บรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะได้โสดาก็บุญแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ใช่เหลือวิสัยนะ อดทนภักเพียนไปเจ็ดปีไม่ได้ทำมันสิบหกปีทำไมต้องสิบหกไม่บอกสิบหกไม่ได้ทำมันตั้งชาตินะทำมันตลอดชีวิตชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าเคยทาอีกมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านยังมีชีวิตอยู่อายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วมั้งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นน่แหละเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านผือ รุ่นเดียวกันนะเขาพนทุกพ้นร้อนไปหมดแล้วท่านยังทําไม่ได้แต่ท่านบอกอีกร้อยชาติท่านก็จะทํานี่จิตใจอย่างนี้นะโอ้ยฟังแล้วกราบท่านเต็มไม้เต็มมือเลยนะท่านคนใจเด็ดจริงๆน่านับถืองนะันพวกเราอย่ารีบร้อนบางคนภาวนาเนี่ยหนูฝึกมาทั้งสามเดือนแนละ้วทำไมหนูยังไม่ได้โอ้ยทีละหนูสะสมกิเลสมาตั้งหลายสิบปีหนูไม่พูดเลยนะ การสะสมกุศลสะสมปัญญานิดๆหน่อยๆ น, นะอยากได้ผลเยอะๆเลยลบมากลบมากไปนั้นไม่โลบนะภาวนาอย่าหวังผลภาวนาให้มุ่งทําเหตุไปการที่เราเคยมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นมันเป็นคุณงามความดีทําไปแล้วก็มีความสุขในปัจจุบันอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องรีบร้อนถึงผลของมันเลยเราก็รู้ของเราไปทุกวันทุกวันมันก็มีความสุขอะ ไม่ใช่ว่ารู้แล้ทุกทรมานเมื่อไหร่ที่รู้แล้วทุกทรมานแปลว่าทําผิดถ้าทําถูกนะจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นมหากุศลจิตจะมีเวทนาได้สองอย่างคือสมนัตเวทนามีความสุขผุดขึ้นมาจะมีอุเบกขาเวทนาเป็นกลางความเป็นกลางของจิตก็เป็นความสุขนะความเป็นกลางของเวทนาด้วยก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ประณีตยิ่งกว่าสมนัตอีกนะ ดังน้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในตัวมันเองการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อเป็นกุศลแล้วมีความสุขอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องรีบร้อนว่าจะต้องบรรลุเมื่อไหร่เลยยิ่งรีบร้อนยิ่งไม่ได้ใช่ไหมนะทําเหตุไปเรื่อยผลมันเปิดเกิดขึ้นเองหน้าที่ของเราทําเหตุให้มากๆมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยไปวันหนึ่งเหตุมันสมควรกับผลนะผลมันก็เกิดขึ้น ค่อยๆฝึกไปไม่ยากเท่าที่คิดนะไม่ยากหรอกแต่ว่าขี้เกียจไม่ได้นะไม่ทําไม่ได้ทําผิดก็ไม่ได้ยัามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อพยายามบอกพวกเราคือวิธีทําที่ถูกให้มีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้เป็นกลางนะเนี่ยบอกพิธีให้ทํายังไงสติจะเกิดสติคือความระลึกได้สติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่น จิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเราหันดูสภาวะบ่อยๆนี่ทำไปอย่างนี้แล้วสติจะเกิดนะพอสติเกิดแล้วก็คอยรู้ทันใจของเรามันวิ่งตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเดี๋ยววิ่งไปเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเดี๋ยววิ่งไปเพ่งเวทนาเดี๋ยววิ่งไปเพ่งกุศลอกุศลนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปใส่มันตลอดเวลาเลย ถ้าเรารู้ทันนะใจเมันค่อยไม่วิ่งใจค่อยตั้งมั่นขึ้นทีละหน่อยๆทีแรกก็ตั้งได้แว บ, บเดียวก็ไหลไปแวบบไหลไหลฝึกไปเรื่อยเนสุดใจมันอยู่ยกับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวฝึกไปมากเข้ามากเข้านะพอใจเราไม่ลืมเนือ้อลืมตัวเราเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานก็จะเกิดปัญญาคือเห็นไตรลักษณนะ์ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ มิปัสนาเป็นการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจมิปัสนาไม่ใช่แปลว่าเห็นกายเห็นใจถ้ารู้กายรู้ใจเป็นสมถาก็ได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นมิปัสนานะงั้นบางคนไปรู้ลมหายใจตลอดเวลาไปรู้ท้องผองยุบตลอดเวลายกเท้าย่างเท้าแล้วรู้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องเป็นมิปัสนาจิตต้องเห็นไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสนาจะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องมีสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่นะก่อนรู้ไม่ได้อยากรู้นะถ้าอยากรู้แล้วไม่ตั้งแล้วจะไหลไปละระหว่างรู้ก็จะถลําลงไปถ้าถลําลงไปก็ไม่ตั้งมั่นแนละ้วรู้แล้วแทรกแซงไม่เป็นกลางละนะเพราะงั้นถ้ามีสติรู้กายรู้ใจมีจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาถึงจะเกิดในพระพิธรรมน้านหนึ่งสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ดันั้นใจที่มีสมาสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นสมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกัน ส, สมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่เคยฝึกกันมานั้นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธินจิตจะเข้าไปเพ่งในอารมณ์นิ่งๆอยู่จิตจะเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์จิตจะไหลไปไหลไปแช่อารมณ์เช่นเวลารู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลารู้ท้องพองยุบนจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้อง เวลาเดินจงกรมยกเท้า ย, ย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเมื่อคนเลยเท้าออกไปอีกจิตไหลไปอยู่ที่พื้นไปรู้ว่าพื้นเย็นร้อน อ, อนแข็งเลยพื้นเลยเท้าออกไปอีกนะอันนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นจริงมันจะเห็นไอ้ที่เดินอยู่เนี้ยร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินที่นั่งอยู่นี่ร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะ้ที่นอนเนี้ยร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนที่ยืนร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะมันเป็นของมันเอง ไอ้ที่โลภอยู่นะจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะที่โกรธอยู่จิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธที่หลงอยู่จิตมันหลงไม่ใช่เราหลงเห็นอย่างนี้เลยนะเห็นไปเรื่อยๆเห็นแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมเขาทางานไม่ใช่เราทํางานเวลาโกรธขึ้นมาตอนนี้รู้สึกไหมเวลาโกรธจะเป็นเราโกรธนะแต่พอเรามีสติรู้สึกไหมเราจะเห็นความโกรธอยู่ต่างหากเราเป็นจิตเป็นคนดูอยู่ไหมความโกรธอยู่ต่างหากความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะความโกรธเป็นสภาวะหนึ่งไม่ใช่เราละวนะ นี่ค่อยแยกออกมาแล้วฝึกไปเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่สภาวธรรมที่เป็นรูปธรรมนมามธรรมนะฝึกมากๆไปวันหนึ่งปัญญาพอนะเกิดอริยามรรคขึ้นมาจนเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็ด้วยปัญญาที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนี้แหละพระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยสมาธินะ ถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาลำทางมีศีล น, นะก็บริสุทธิ์บ้างโสกปรกมั่งมีสมาธิเดี๋ยวสมาธิก็ยังเสื่อมถ้ามีปัญญาเข้าใจจิตมันเข้าใจนะไม่ใช่เราเข้าใจนะอย่างเวลาฟังธรรมะนะเราฟังแล้วก็จดนะจดจดแล้วท่องท่องไเหมือนฟังเลคเชอร์เนียอันเนี้ยเราเข้าใจสมองมันเข้าใจนะ ถ้าจิตมันเข้าใจนะมันจะทราบซึ้งเลยฝังลึกเข้าไปนะข้ามภพข้ามชาติเลยความรู้ชนิดนี้หลวงพ่อมีเพื่อนเป็นนักอภิธรรมเยอะเนี่ยบางคนก็มาบอกว่าเรียนอภิธรรมมากๆไวชาติหน้าจะได้รู้ธรรมมากง่ายมันข้ามภพข้ามชาติถัถ่วโม้พอสอบเสร็จก็ลืมแล้วไม่ทันจะข้ามภพข้ามชาติหรอกนะเนี่ยจําด้วยสมองเนื้อพอแก่หน่อยก็ลืมละ ไม่เหมือนการภาวนานะอย่างเราเห็นความโลภความโกรธความหลงผุดขึ้นในใจเห็นความสุขความทุกข์ผุดขึ้นมาหายไปผุดขึ้นมาหายใจเรารู้เราอยู่อย่างนี้เลยมันรู้ด้วยใจมันจะฝังเข้าไปในใจตายแล้วเนี่ยความรู้นี้ไม่หายนะสะสมไปอีกชาติหน้าเราพอนางง่ายกว่านี้อีกคนที่เขาพอนางง่ายๆในชีวิตนี้เพราะเขายากมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็บุญภาวาสนาสรงนะ ใส่บาตรมาเยอะชาตินี้บรรลุพระอรหันต์ไวไม่ใช่หรือเคยเจอพระพุทธเจ้าไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าแล้วก็สาธุนิพพานปัจจโยโหตุชาตินี้กินกินนอนๆอนแล้วก็บรรลุไม่มีทางหรอกไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุกหรอกอย่างเราทําบุญใส่บาตรใช่ไหมผลคืออะไรเราล่าความโลภของเราเรื่อความโลภลดลงว่าภาวนา ง, ง่ายต้องอย่างนี้ถึงฉลาดทําบุญใส่บาตรแล้วหวังว่า จะเกิดปัญญาในี่คนละเรื่องกันเลยเหมือนอย่างได้ลูกมะม่วงแล้วไปทำนายไม่ได้คนละเรื่องกั น, นทำเหตุกับผลให้ตรงกันนะอยากให้เกิดปัญญาก็มีสติรู้กายรู้ใจด้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปส่วนศีลนแะสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนทำเหตุกับผลให้พอดีกันนะทำเมื่อไหร่พอดีทำไปเรื่อยๆมีหน้าที่ทำไปเรื่อยๆคล้ายๆเรากินข้าวนะ เรากินข้าวเรารู้ไม่เมื่อไหร่จะอิ่มเรายัางไม่รู้ใช่ไหมเราค่อยๆกินไปเรื่อยๆถึงเวลาหนึ่งมันก็อิ่มถามว่าอิ่มของแต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่ากันะะแต่ละคนกินเท่านี้ไม่อิ่มเท่ากันบางคนต้องกินเยอะๆถึงจะอิ่มบางคนกินนิดๆหน่อยๆก็อิ่มบางคนไม่ทันใจกินเลยก็อิ่มะก็มีนะเพวกกินไม่ลงแล้วเบื่อ <c oughs> เราภาวนาไปนะจนใจเราอิ่มใจเราพอ ใจเราพอรักมันเข้าตัดของเขาเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จำไว้นะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตที่เจริญสติเจริญปัญญาจนแก่รอบนั่นแหละเขาบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองนะเราสั่งเขาไม่ได้ยัง ไ, ไม่รีบร้อนนะเราทำเหตุเราเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเรื่อยไป ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในใจในใจให้รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะสติไม่ได้เกิดตลอดเวลาจิตพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดนะั่นคืออกุศลนะไม่ใช่สตินึกออกไหมเวลาสติเกิดนะเกิดแวบเดียวเวลาหลงหลงนานหลงตั้งหนึ่งนาทีห น, ะนิคนเก่งๆนะคนไม่เก่งคนภาวนาไม่เป็นนะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่มีสติสักแวบหนึ่งเลยคนในรกไม่มีสติแท้ๆนะ ถึงมีสติก็สติอย่างโลกโลภไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สติรู้กายรู้ใจคนที่มีสติรู้กายรู้ใจนีนับตัวได้เลยเพราะนั้นคนที่บัตรู้มากคนนี้ผ่านถึงมีน้อยเหลือเกินวันนี้เทศมาวันที่สี่เสียงไม่ค่อยจะมีละเอาไปทานข้าวนะ